เอาน่าอย่าซสีเรียอเรื่องนิ้วชี้ของเทวดาเล่าสืบต่อกันมาว่ามีเทวดาที่มีฤทธิ์ท่านหนึ่ง ได้เดินทางมาท่องเที่ยวยางโลกมนุษย์บังเอิญพบกับเด็กน้อยผู้หนึ่งยืนร้องไห้อยู่ข้างถนนเห็นดังนั้นท่านจึงเดินเข้าไปถามเด็กน้อยว่าเจ้าหนูเจ้าร้องไห้โดยเหตุใดหรือเด็กน้อยสะอื้นให้กล่าวว่าคุณลุงครับคุณแม่ของหนูไม่สบายหนูไม่มีเงินซื้อยาให้ท่าน หนูไม่รู้จะทำอย่างไรดีหนูอะจะหาเงินมาจากไหนเทวดาเมื่อได้ยินในใจก็ให้คิดเราห่างจากโลกนี้ไม่กี่สิบปีคาดไม่ถึงว่าชาวโลกจะมีจิตใจที่แปรเปลี่ยนได้เพียงนี้ดูสิดสเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ยังรู้จักกระตันยูต่อบบิดามารดา ช่างน่าซาบซึ้งยิ่งนักจึงกล่าวกับเด็กน้อยว่าเอาละข้าจะช่วยอนุเคราะห์เจ้าเองกล่าวจบก็ใช้นิ้วชี้ของท่านชี้ไปยังก้อนหินก้อนหนึ่งที่อยู่ข้างทางน่าอัศจรรย์ยิ่งนะักหินก้อนนั้นก็กลายเป็นทองคําสว่างเรืองรองขึ้นมาทันที เทวดาหยิบทองคำก้อนนั้นขึ้นมาแล้วส่งให้กับเด็กน้อยผู้นั้นแต่เจ้าหนูกลับสายหัวไม่ยอมรับและกล่าวว่าหนูไม่เอาเทวดาเมื่อได้ยินยิ่งโงนคิดในใจว่าทำไมคนในโลกนี้ถึงได้มีจิตใจดีงามถึงปานนี้นี่ขนาดเราให้ทองคำก็ไม่เอาจึงถามออกไปด้วยความเอ็นดูว่า เจ้าหนูน้อยไม่เอาทองแล้วเจ้าอยากจะได้อะไรหนูจะเอานิ้วชี้ของท่านเด็กน้อยพูดเจ้าจะเอานิ้วชี้ของข้าไปทำไมเทวดากล่าวออกไปด้วยความสงสัยทองคําที่ท่านให้แม้จะมีราคาแต่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องใช้หมดอยู่ดีหากท่านให้นิ้วชี้แก่หนู เวลาไม่มีเงินหนูก็จะเอามันออกมาเสกทองได้ตลอดเวลาเมื่อเทวดาได้ฟังรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งแท้จริงแล้วความโลภของเวไนยังคงมากอยู่ดังเดิมแม้แต่เด็กที่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์ก็ยังถูกเงินตราครอบงำได้ถึงเพียงนี้ความโลภของมนุษย์เป็นสัญญาณที่ติดมาตั้งแต่เกิด แม้แต่เด็กที่ไม่ประสาอะไรก็ยังไม่อาจหลีกนี้มนุษย์เมื่อเกิดมาก็มักจะมีความโลภติดมาคำว่ากินกามเกียรตแม้นจะมีกันทุกคนแต่ควรจะควบคุมให้เหมาะสมและควรเข้าใจหลักที่ว่ามากตัณหาจะพาวิบัติ